ผู้ตัดพวงดอกไม้ของมานพระพุทธภาสิตเพณูปมังกายะมิมังวิดิตวามารีจิธรร ม, มังอธิสัมบุทานโนเชตวานมารสะปะปุปภกานิอดัดสนังม จ, จุราชสะคัดเชภิกษุรู้แจ้งกายนี้ว่าเปรียบด้วยฟองน้ำเปรียบด้วยพยับแดดตัดพวงดอกไม้ของมานแล้วพึงถึงสถานที่ที่มัจจุราชมองไม่เห็น อธิบายกว่าที่ว่ากายนี้เปรียบเด้วยฟองน้ํานั้นเพราะตั้งอยู่ไม่ได้นานเหมือนฟองน้ําตั้งขึ้นแล้วแตกไปโดยเร็วที่ว่าเปรียบด้วยพยับแดดนั้นเพราะเป็นเหมือนมีรูปร่างเหมือนจะจับฉวยได้สําหรับผู้มองจากที่ไกลแต่พอเข้าใกล้ก็ว่างเปล่าคาว่าภูงดอกไม้ของมานั้นหมายถึงวัดตัดในภูมิสามคือกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิในที่บางแห่งท่านแสดงรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะว่าเป็นพวงดอกไม้ของมาน เพราะคอยลอยคนหลงและติดอยู่เป็นของละได้ยากอย่างหนึ่งในโลกข้อว่าสถานที่มัจจุราชมองไม่เห็นนั้นคือพระนิพพานบุคคลผู้มองโลกโดยความเป็นสิ่งว่างเปล่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกแล้วมัจจุราชย่อมมองไม่เห็นคือไม่ต้องตายอีกสมดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสบอกโมคราชานุวา่าสุญญะตโลกังอเวกขสุโมคราชาสดาสโตอาตานุติทั่งโอหัด จ, จักเอวังมัจจุตตโรสิยา เอวังโลกังเอเวกขันตังมาจุราชาณพสติความว่าดูก่อนโมคราชเธอจงถอนอัตานุทิฏฐิเสียเป็นผู้มีสติทุกเมื่อมองโลกโดยความเป็นความว่างเปล่าก็จะสามารถข้ามพ้นมัจจุราชได้มัจจุราชย่อมมองไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาโลกอยู่อย่างนี้อัตานุทิฏฐินั้นคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนความมีอสมิมานะว่าเราเป็นนั่นนั่นเป็นเรา ความมีอาหางการเ ม, มืงการความยึดมั่นในตัวตนอย่างเหนียวแน่นไม่มีแสงสว่างใดๆรอดเข้าไปที่ทรงสอนให้มองโลกด้วยความเป็นของว่างเปล่านั้นเพื่อมิให้ติดโลกจมอยู่ในโลกไม่สามารถถอนตนขึ้นจากโลกได้หาประกอบด้วยนิจชาทิฏฐิอันดิ่งคือนิยะตะนิชชาทิฏฐิก็จะกลายเป็นตอในวัฏฏะไม่อาจบรรลุมรรคผลอะไรได้พระสอนศาสนาทรงแสดงเทศานานี้ขณะประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารบพระเถระผู้เจริญ มรีจิกรรมัฏฐานมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องพระเถระผู้เจริญมรีจิกรรมฐานพระเถระรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วคิดว่าจยากทำสมณธรรมเข้าไปสู่ป่าแม้เพียงพยายามอยู่เพียงไรก็ไม่อาจให้บรรลุพระอรหันตได้จึงกลับมาสู่สำนักของพระศาสดาด้วยตั้งใจว่าจยากให้พระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปเห็นพยับแดดในระหว่างทางจึงเจริญ มริจิกรรมาฐานคือกรรมาฐานอันมีพยับแดดเป็นอารมณ์ว่าพยับแดดในฤดูร้อนนี้ย่อมปรากฏประดุดมีรูปร่างแก่บุคคลผู้ยืนอยู่ไกลแต่เมื่อเข้าใกล้ย่อมไม่ปรากฏเลยฉันใดอัธภาพคือร่างกายนี้ก็ฉันนั้นเพราะเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปดังนี้เป็นต้นเดินมาเมื่อไร้จึงหยุดพักอาบน้ําในแม่น้ําอัญจิราวดีนั่งที่ริมไม้ริมฝั่งแม่น้ำอันมีกระแสเชี่ยวแห่งหนึ่ง ฟองน้ําใหญ่ตั้งขึ้นด้วยแรงกระทบกันแล้วแตกไปท่านได้ถือเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แล้วเปรียบเทียบกับอัตภาพว่าแม้อัตภาพนี้ก็เหมือนกันเพราะเกิดขึ้นแล้วก็แตกไปพระศาสดาประทับอยู่ที่พระคันธกุลีทั่นและทอดพระเนตรเห็นพระเถระนั้นจึงตรัสว่าถูกแล้วภิกษุเธอคิดถูกแล้วอัตภาพนี้เหมือนฟองน้ําและเหมือนพยับแดดเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า เพนูะมังกายามิมังวิริตวาเป็นอาทิมีในดังอธิบายมาแล้วแต่เบื้องต้น